ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมจะมีกี่ล้า น, านก็าตามก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนั่นเองจะมีกี่ล้า น, านก็าตามก็เป็นเพียงคันห้าเวธนาสัญญาสังขานวิญญาณจะมีเท่าใดก็าตามก็เกิดขึ้นแล้วแปรปวนแล้วแตกสลายทั้งนั้น พูดในทางศีลชั้นกลางสมาธิชั้นกลางปัญญาชั้นกลางศีล ส, สมาธิปัญญาชั้นสุดท้ายก็เป็นแตสักว่ารูปเป็นแตสักว่านามจะมีเท่าใดก็ตามเป็นแต่สักว่ารูปเป็นแตสักว่านามพูดในชั้นศีลสมาธิ ชั้นสูงแปดมื่นสี่พระธรรมมขันก็ย่อนลงมาหารูกขันนามขันเท่านั้นสีและขันหมวดสีสมาธิขันหมวดสมาธิปัญญาขันหมวดปัญญาก็ขันลงมาหารูกนามนั่นเอง ถ้าพิจาณารูปตามเป็นจริงของกองนามรูปนามแปลว่าชื่อมันรูปังแปลว่ารูปสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ยืนยังได้จะเป็นของท่านผู้ใดเกิดขึ้นตามสภาวธรรมที่แต่งขึ้นด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานของสัตธรรงหลายที่มาหลงทะรู้ตามเป็นจริงของกองนามรูปแล้ว ก็เข้าสู่ขั้นิพ่านไปครับถ้าลงกองน้ำลูกเขเที่ยวมาก่อกองน้าลูกอยู่ที่นี่ที่ในที่นี่คือที่ไหนคือที่จิตที่ใจที่ทะเลหลงนั่นเองไม่เลยที่อื่นพูดไปไหนมันเข้าไม่ไ ป, ไปก็มาหากองน้าลูกท่านั้นถ้าทัพย์ทั้งหลายไม่หลงกองน้ำลู ก, กทัพย์ทั้งหลายก็มาได้มาก่อกองน้าลูกอีก พยืนยันว่ากองนามรูปเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลนามังไปว่าชื่อมันรูปปังไปว่ารูปสิ่งที่เห็นด้วยตาก็มีดีหน้าไปลมเท่านั้นนอกจากนั้นก็ปรากฏรูปกับใจเรียกว่านามนามังไปว่าชื่อมันสัพพนามก็าตามย่อดลงมหาเอกนามสัพพรูปก็ย่อดลงมาหาเอกรูปในปัจจุบันถ้าอย่างนั้น ก็ฟันเสือนะัไม่ชนะชค่นัที่จะไปจำไปจดไปจำแปดมือสี่พระธรรมขันธ์ก็เทศแต่ละวัดละบาทเทศแต่ละท่งแต่ละบุคคลเมื่อรวมลงมาแล้วก็ล ง, ลงมาอันเดียวกันเอกศีลเอกสมาธิเอกปัญญาก็มีหลารชั้นเอกศีลเอกสมาธิเอกปัญญา ของพระโสดาบันเอกสินเอกสมาธิเอกปัญญาของพระสกทาคามีเอกสินเอกสมาธิเอกปัญญาของพระสกทาคามีเอกสินเอกสมาธิเอกปัญญาของพระอนาคามีเอกสินเอกสมาธิเอกปัญญาของพระอรหันต์ก็มียิ่งย่นกว่ากันในปัจจุบันตามสติปัญญาและญาณจั bpyut ของแต่ละท่าน น, นานาธรรมยนลงมาหาเอกธรรมนานาศีลตัวยศลงมาหาเอกศีลนานาลูกยนลงมาหาเอกลูกนานานามสัพโรยนลงมาหาเอกโลกสัพนามยนลงมาฮาเอกนามในปัจจุบันอันนี้อยู่นะซึ่งหน้าน ah ah ี้ถ้าหลงก็หลงอันนี้ถ้ามาหลงปัจจุบันอดีตก็ไม่หลงอนาคตก็ไม่หลงถ้าหลงปัจจุบันอันไหนก็หลงหมดถ้าด้วยเท่าทัาปัจจุบันอันใด อดีตอันนั้นอนาคตนั่นก็รู้เท่าถ้าหลงปัจจุบันอันใดอดีตอันนั้นอนาคตนั่นก็หลงเหมือนกันมาจากนครปฐมใครก็มาจากนครปฐมเหมือนกันเพราะประถมจิตปฐมใจปฐมบุญปฐมบาปใครก็เกิดจังหวัดนครปฐมเหมือนกันคือใจเป็นนครปฐม ปฐมของจิตปฐมของใจปฐมของบาปปฐมของบุญปฐมของการทำการสร้างขึ้นพระนคร isty, ปฐมปฐมของจิตของใจปฐมของบาปปฐมของบุญเรียกว่ามูลเดิมมูลเดิมเอกาโมเลย้อนลงมาหาที่ใจสัพเพเตธรรมากุศลสัพเพเตธรรมาอกุศล บาข้อเกิดที่เอกโมเรบุญก็เออเกิดที่เอกโมเรในปฐมจิตปฐมใจในี่เองไม่ได้เกิดในที่อื่นเห็นก็เห็นอยู่ที่นี้ไม่เห็นก็ไม่เห็นอยู่ที่นี้มีก็มีอยู่ที่นี้ไม่มีก็ไม่มีอยู่ที่นี้รู้ก็รู้เท่าอันนี้หลงก็หลงอันนี้รู้เท่าอันนี้ในส่วนใดก็รู้ทําในส่วนนั้นถ้าหลงใจในส่วนใดก็หลงทําในส่วนนั้นถ้ารู้ใจในส่วนใดก็รู้ทําในส่วนนั้น ถ้ารู้ใจโดยสิ้นเชิงก็รู้ทาโดยสิ้นเชิงหนักใครเป็นผู้ก่อเหตุกาใดใครก่อก็คือใจเป็นผู้ก่อขึ้นในทางบุญและทางบาปทางดีและทางชั่วจะไปหาที่ไหนมันก็ไม่เจอไม่จึกไม่พบไม่ปะไม่เห็นถ้าไปหาลงเทนั้นใครเป็นผู้หาใจต้องเป็นผู้หาใจเอง ใครเป็นผู้รู้ตัวใจก็ต้องเป็นผู้รู้ตัวเอง caminho. ทำดีทำชั่วตัวทำดีก็ไม่รู้ตัวทำชั่วก็ไม่รู้ก็เป็นความผิดของใจตัวสร้างเหตุดีขึ้นก็ไม่รู้ตัวสร้างเหตุชั่วขึ้นก็ไม่รู้ก็เป็นความผิดของใจถ้ามันด้วยตาเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้าใจไม่ร <min. booklet. S 2> ู้จักจะให้ผีตัวไหนมารู้จักอี นคนตายไม่รู้ยิ่งดูยิ่ง อ, อะไรเพราะวิญญาณไม่อยู่ในทนี่นั้นทำเดก็ทําทให้ใจทาชั่วก็ทําทให้ใจทําให้อันอื่นมันไม่รับสักแล้วมันไม่รับสัแล้วมันไม่รับ ม, มันไม่รับสัแล้วมันไม่รับสักพระอิสาน มีทั้งภาคอิสานมีทั้งภาคกางลมหายใจเข้าข้างหนึ่งมีโรครอบหนึ่งแล้วก็มีทั้งสังขารรอบหนึ่งแล้วก็มีทั้งวิสังขารรอบหนึ่งแล้วมีทั้งศีลสมาธิปัญญารอบหนึ่งแล้วนั่นถ้าไม่อย่างนั้น ก็ไม่มีท่านผู้ใดจะข้ามทะเลหลงไปได้นักทำแทม้มีมากต้นไม้ใหญ่หญตๆตโตถากกันจะตายฟันออกจะตายมีแก่นนิดเดียวเอานิดเดียวทำนาก็งันกันทำเต็มไร่เต็มนาทำงานจะตาย ไม่ไจะเอาก็เอาเข้าปากเท่านะั้นถ่ายออกเวลาเอาก็เอานิดเดียวเอาแล้วเอาเข้าปากแล้วก็ถ่ายออกพอถึงเวลาถ่ายการงานอะไรทั้งหมดเต็มมากเต็มเมืองก็ตามทรัพย์สินสิ่งการบริวารอะไรก็ตามก็มุ่งใส่ท้องใส่ปากเท่านั้นเครื่งองลูกหูลอุพโภคบริโภคก็เพื่อกันความละอายความหนาวความร้อนเท่านั้น ส่วนผลชุดท่ายิ่งจะเป็นไปก็คืออาหารก็บเรียงกาอาหารอาหารคือคำข้าวพัสนาอาหารคือสัมผัสมโนุษย์เจตอาหารอาหารคือมนุษยเจตนาวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณอาหารของสัตว์ทั้งหลายมีอยู่สี่อย่างแต่พระนิยะเจ้าท่านพ้นไปแล้วท่านรู้ตามไปจริงรู้ว่ปฏิบัติตามไปจริงรู้ว่ารู้พ้นตามไปจริงด้วยท่านไม่ติดอยู่ด้วย จะรู้น้อยรู้มากก็าตามท่านไม่ติดอยู่ในผู้รู้ท่านกระหนไปสักปัญญาไม่แก่กล้าก็ไม่สามารถจะข้ามทะเลหลงย่นทะเลหลงลงมานิดเดียวเท่าปลายเข็มก็ย่นปัญญาลงมาเท่ากันกปลายเข็มมวนกันนะักย่นโลกลงมาเท่าปลายเข็มก็ยน่น เีนสมาธิปัญญาลงเท่าปลายเขมเหมือนกันโรคยัดเยียดเหมือนปลายเข็มเหลือนอกนั้นไม่ใช่โรคสมมุติเป็นบุคลาธิฐานเลืร อ, อกนั้นบรบนรดาเจ้พนิพพานก็ตามยัดเยียดขนาดปลายเข็ม กันองอไม่เห็นมันแหลมขนาดไหนยัดเยียดขนาดใดนะเนื้นอน้านั้นเป็นพระเนพานสมมติเป็นบุคลาธิษฐานถ้าว่าเป็นธรรมาธิษฐานเนี่ยพระเนพานจะเทียบอะไรก็ไม่ถูกคือหายเพลินในวัตตสงสารเพลินในวัตตสงสารก็คือหลงหนทาง ก็คือหลงศีลสมาธิปัญญาก็เรียกว่าไม่รู้เท่าศีลสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นศีลสมาธิปัญญาที่เห็นไถยในวัฏสงสารผู้ใดเห็นไายในวัฏสงสารจะเป็นหัวดาหัวขาวก็าตามเรียกว่าภิกษุนะผู้เห็นเพลินในวัฏสงสารแปลว่า มารกิเลสมารมารคือกิเลสมันตอนไดแล้วมันเอาเป็นเป็นเป็นเนมอเืองขึ้นของมันแล้วยากจะพดแ อ, อ, อกออกจับได้นะแต่ที่พระพุทธศาสนาก็หวังเพื่อพวดทุกข์ในวาระสงสารเท่านั้นไม่ได้หวังอันอื่นสำหรับผู้บารมีแก่้ามาแล้ว ผู ท, ที่ยังอ่อนอยู่ก็แล้วแต่จะน้อมไปในมนุษย์สมบัติบ้าสวรรค์สมบัติบ้าพูมสมบัติบ้างทมกบาลมีบาลมีเจอาก้ามาแล้วนิพพานสมบัติเลยตัดเทินเลยไฟลุกแดงล่ออยู่เทนำใส่เลยพระนามก็ไม่อดวิธีเ ท, ทใส่ก็รู้จักรถ รับเพลิงก็รู้จักแล้วพูดมากก็มากออกไปจากไกลพูดน้อยก็น้อยลงมาหาไกลทำแท้มา้มากทำแท้มีนิดเดียวที่พูดเรามากพระรูปเราาก็เพราะโวหานโอหารก็ให้หานลงเอาเป็นมายาดไว้ที่นั้นบ้าที่นี้บ้า เป็นกรเป็นตำราว่าเป็นจินตกวีว่าเป็นอะไรต่ออะไรว่าจินตกวีเพื่อขยาย เ, เรื่องจริงให้เขือ่องเพื่อให้ใครรอกในเชิงกาบไอ้ที่แท้ศีลก็มีตัวเดียวสมาธิก็มีตัวเดียวปัญญาก็มีตัวเดียวเท่านั้นคือตัวใจ ผู้ที่จะออกเร่งออกลายไปเพราะตัวใจผู้ที่จะหยุดอยู่เพราะตัวใจท่านั้นไม่มีตัวอื่นใจเป็นพระนิพพานไหมใจเป็นวันทางวัิบัติเข้าสู่พระนิพพานคล้ายๆกับเรือคล้ายๆกับรถคล้ายๆกับที่อาศัยพระนิพพานเป็นใจหรือไม่ พระเนี่ยผ่านไม่ในมัญญัติวายใจเหาุฉะนั้นขั้นจงบัญติว่ารูปจิตเกเรสิกนิพพานนิพพานไม่ใช่ใจใจไม่ใช่พระ น, นี่านผู้ใดยังยึดมั่นถือว่าในใจก็ไม่ใช่พระเนี่ย่านมโนโอนัตตาธรรมอนัตตาใจไม่ใช่ตัวตนธรรมไม่ใช่ตัวตนนะัก ถ้าจะยืนยันว่าใจเป็นพระเพผาก็ยืนยันว่าตนเป็นพระเนาพนานพระเนพานเป็นตนมันก็ยิ่งกันไปใหญ่กันละอุปาทานนั้นยึดถือว่าใจเป็นตนตนเป็นใจก็ตัวมาหาอุปาทานยึดถือผู้รู้เป็นตนตนเป็นผู้รู้ก็มาหาอุปาทานอีกเหมือนกันยังไม่ใช่พระเนพาน ใจจะว่างทำจะว่างก็เพราะไม่ยืนย exactly to ันว่าทำเป็นตนตนเป็นธรรมอดีตอนาคตปัจจุบันจะว่างก็เพราะไม่ยืนยันว่าอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นตนตนเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นสมมติกันตามฐานะนู้นู้นเพื่อให้รู้จักความหมายอดีตก็คือนิทานของปัจจุบันนั่นเองอนาคตก็คือนิทานของปัจจุบันนั่นเองเพราะ เป็นผู้ไปมุ่งหมายหนักหนักดินน้ำไฟลมมันยืนยันว่ามันเป็นของใครรูปเวทนาสัญญาทั้งขาสัญญามันยืนยันว่ามันเป็นมันมันเป็นของใครมันยืนยันว่ามันเป็นของศูนย์หรือไม่มันก็ไม่ยืนยันว่ามันเป็นของศูนย์เหมือนกันมันก็ไม่ยืนยันว่ามันเป็นของใครเหมือนกันนั่น แต่ภาษาสมมติของเรายิ่งสมมุติมากก็ยิ่งยุ่งมากสีนั่นแต่ก่อนไม่เคยได้ยินตรวจเดี๋ยวนี้ก็ได้ยินกันใช้ไหมเอนั่เทปเททับทั บ, ท บ, ทบอะไรสารพัดยิ่งสมมุติขึ้นมากก็ยิ่งหลวงมากยิ่งยอกเงาเงาก็ยิ่งยอกตนนั่นทาไมจึงสมมุติขึ้นมากก็เพราะมันไม่พอใช้ก็สมมุติขึ้น เมืองพอมันไม่มีมันจึงสมมติขึ้นพระทหานเบื่อแล้วเบื่อเมืองพรมันจะสมมติขึ้นกี่ล้านกี่แสนก็าตามท่านก็ไม่หลงท่านผู้พ้นไปแล้วจะไม่สมมติท่านก็ไม่หลงไม่ติดในสมาธิด้วยไม่ติดในปัญญาด้วยไม่ติดในผู้รู้ด้วยไม่ติดในอดีตอนาคตด้วยคล้ายกำลมพัดไปแล้วก็ล่วงไปล่วงไปล่วงไปล่วงไป ยิ่งพูดเท bon ่าไรก็ยิ่งล่วงไปเท่านั้นยิ่งนึกเท่าไรก็ยิ่งล่วงไปเท่านั้นนันนนนั่ั่เป็นคําเก่าหรือคําใหม่ที่คําพูดที่คํานึกคํำคิดอยู่เดียวนี้ก็เป็นของเก่านั่นเองนัใจก็ล่วงเก่าตาก็ล่วงเก่าที่แร่วมกันอยู่นี่หูวก็อ่ันเก่าหนังเนื้อหุ been, ้มกระดูกก็อ่านเก่าไม่ใช่อันใหม่เอสัธรมโมสันตโนพระธรรมเป็นของเก่านั่นเอง ศีลก็เป็นของเก่าสมาธิก็เป็นของเก่าปัญญาก็เป็นของเก่าพระนิพนานก็เป็นของเก่านั่นเองแต่เป็นของเก่าที่ควรรู้จักความหลงของตนไปหลงไปหลงยึดถือว่าเอาเป็นเจ้าของไปเทีรร่ยวกมไปเที่ยวกอบไปเที่ยวหอบไปเทีเเ่ยวเบลขึ้นรถฟืนรถไฟไปตาคนก็ต่างเข็นเอาตาคนก็ตาหอบเอารมเอาแร่ ยึดเถื่อเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุนคคลเพราะกูของมึงรบหลาคาไฟส า, า, าราพัดพูดให้น้อยลงหงายให้น้อยลงย่นลงถ้าพูดแค่คบรบแปดหมืม่นสีพุทธธรรมกันน่ะเทศทำไมจักกระวัตรราสูตรอแล้วก็เทศทำไมจักกรวัตรราสูตรผู้ใดพิจารณาสิ่งที่ไม่เทีย่ยงก็เรียกว่า พิจารณาอนัตตลักษณ์สูตรอยู่ไม่มีกางวันกลงคืนนักผู้ใดพิจารณาทุกข์ก็เรียกว่าพิจารณาอนัตตาทำและพิจารณาอนัตตลักษณ์สูตรอยู่ไม่มีกางวันกลงคืนผู้ใดพิจารณาชาติเป็นทุกข์ก็เรียกว่าพิจารณาธรรมจักกับวัตตนสูตรอยู่นักอันเดียวกันไม่ใช่คนละสูตรสูตรจะว่าจีสูตรก็ตามก็หนังอยู่หุ้งอยู่หลายรอบเรียกว่ามโนสูตรกายสูตรว่าจีสูตร่ะ ถ้ามัดก็มัดเข้าปัณณ์มัดกายมัดเข้าในกายปัณณ์มัดวาจารมัดเข้าในวายการปัณณ์มัดใจกองมัดเข้าในใจว่าเป็นสามว่าเป็นหนึ่งก็มัดลงในใจผู้สมมุติก็ใจเป็นผู้สมมุติผู้หลงสมมุติก็ใจเป็นผู้สมมุติผู้หลงตนเองก็ใจเป็นผู้หลงตนเองผู้หลงธรรมก็เป็นใจเป็นผู้ทรงธรรมธรรมแปลว่าทรงหนูทรงหนูทึ่งบาปก็เป็นบาปทรงดูทึ่งบุญก็เป็นบุญ ทำไม่ได้มาหลงใจใจไปหลงทำต่างหากถ้าใจไม่มีธรรมมีไมธรรมมีตามธรรมอัยค่ใจไม่มีธรรมก็มีอยู่ถ้าทํามไม่มีอยู่ก่อนใจใจก็ไม่สามารถจะรู้พระบรมศาสีราจึงเขารกธรรมจึงปฏิบัติธรรมจึงเลือกเว้นธรรมธรรมที่เป็นบาปก็เว้นธรรมที่เป็นบุญก็เจริญก็เว้นอยู่ที่ใจก็เจริญ อ, อยู่ที่ใจนะ พูดลงมานี่แล้วมันก็ไม่กว่าคำเพีไก่มาจากคำเพยไหนมาจากคำเพีมโนกฟังนั่นเองขมาธรรม า, ม โ, รรามโนเสต้ามโนมยานั่นเองมาจากมูลเดิมนั่นเองสัพเพเทธรรมากุธราเอกโมลิมูลเดิม มูอเดิมมือและวหลบเดิมคือใจถ้าทำผิดก็ใจเป็นผู้รับซี้ถ้าทำถูกใจก็เป็นผู้รับซี้ถ้าใจเป็นผู้หลงใจใจก็เป็นว่าอยู่ที่ใจซี้ถ้าใจรู้เท่าใจใจก็พ้นจากใจซิ้นั่นพระไตรปิฎกมีทั้งสี่สิบห้าเล่มมีทั้งห้าร้อยเล่มของคุยแสงสายใครจะไปจำได้หมดนั่ ก็ต้องสังขรโหลงมาสิอย <im> ่นท่านจึงบอกว่าสังขรโหอสังรโหสังขัยเตนะสังขัยตังสังขัยเตนะสังขัยตังอัสังขัยเอนะอสังขัยตังสังขัยเตนะสังขัยตังสัมปโยโคยุปโยโคสัมุตนะยุปยตังยุปปยุตเตนะอสสังขัต่านจถงมาจารชาปัญญาติโยคันธะปัญญติอายระปัญญติจัปัญญติอินทรยะปัญญติภุกขะปัญญติจิตตาวัฏานภคกขะนานภุคขะปัญญติ สมัยยังมีตถุสมัยยังมีวัตถุปุตะโมปุปตะมโะมโบริหารตะมโมบริหารตะมโมเกตนาพระบุตรท่านบัญญัติลงมาใครเป็นผู้ว่าใครเป็นผู้บัญญัติขึ้นก็จิตใจเป็นผู้บัญญัติขึ้นนักว่าไปวันยังค่าําก็เป็นเป็นเรื่องของใจเท่านั้นเรื่องของอื่นไม่มีตนก็ต้องรับผิดชอบเอาเองใจแต่ไม่ไดเศษไปให้ใครก็ไม่ได้ ถ้าพ้นจากกายก็พนจากโลกทั้งปูมิถ้ารู้่เท่ากาก็รู้่เท่าโลกทั้งปูมิถ้าข้ามทะแกก็ข้ามโลกทั้งปูมข้ามทะเลหลวงทั้งภูมถ้ายึดถือว่าใจเป็นเราเราเป็นใจก็ข้ามใจไม่ได้นักเอาใจเป็นตัวศีลเอาใจเป็นตัวสมาธิเอาใจเป็นตัวปัญญา เอาใจเป็นตัวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนใจอย่างนี้ที่ละล้านพระองค์ก็มาสอนใจคนว่าใบาเสียเจด็จ์ผิดมนุษย์พระพุทธศาสตร์นาพ็สอนไม่ได้ทำไมจึงให้มองดูสมาธิเพราะให้ตั้งมั่นอยู่ที่ใจสมาธิไหนๆก็ต้องใจเป็นหัวหน้านัก ปัญญาใดๆก็ใจเป็นหัวหน้าศีลใดๆก็ใจเป็นหัวหน้านักถ้ามีปัญญาก็มีอยูญญ่ที่ใจถ้าใจไม่มีปัญญาใจก็ต้องอาศัยไม่มีใจจะไปอาศัยที่อื่นไม่ได้ปัญญาจะไปอาศัยที่อื่นไม่ได้ก็เกิดขึ้นจากใจให้ครูวัญญาใจเป็ผู้พิจารณาใจเพราะไม่มีใครมาแยกทํางานก็ใจอันเดียวทํางาน สติก็อยู่ที่กับใจคนบ้าไว้เสียจริตเพียดเมารถสติมันไม่มีเวลาเราหายใจเข้าออกใจมันอยู่ที่ไหนใจมันก็อยู่กับสติกลงขึนกันนักสมมุติให้อยู่ไหนก็ได้เพราะมันไม่มีตัวมันไม่หนักมันไม่มีเขามีงามันไม่เหมือนรถโดนรถไฟมันจะไปที่ไหนก็ไปได้ เร็วกว่ารถจนรถไฟอีกเสืเ่อเร็วกว่าลูกกระสูนอีกเสืเ่อหนึ่งนั่นโลกจะไม่ขี่ล้านล้านก็ยน่ น, ยนลงมาเป็นหนึ่งเท่านั้นสัพพทุกจะม่ขี่ล้าล้านก็ย่นลงมาหาเอกทุกเท่านั้น น, นัสัพพะเกิดจะไม่เกิดอีก ล้านชาติแสนชาติปราตางก็ย่ำลงมาเป็นเอกระเกิดเอกทุกเท่านั้นหนึ่งเกิดเท่านั้นธาตุดินจะมีมากสักเพียงใดก็หนึ่งดินเท่านั้นธาตุไฟจะมีมากเพียงเท่าใดก็หนึ่งไฟเท่านั้นธาตุลมจะมีมากเท่าใดก็หนึ่งลมเท่านั้นน่ะย่นบัญนดติลงมายนม่นสมมติลงมาทีนี้ จะไม่ย่นก็าตามก็ไม่สามารถจะทำให้ใจหลงได้เพราะยุบรู้ทั้งขยายรู้ทั้งย่นลงแล้วเชือกเส้นเดียวถึงไปยาวเหยียดก็ไม่ต้องหลงโค้งมาก็ไม่ต้องหลงใจอันเดียวใจก็เป็นผู้ใจดีดีใจใจดีใจใจเขาให้คะแนนว่าดีใจเสียใจใจก็เป็นผู้บน ใจมันเสียไปไหนมันก็อยู่ที่นี่ใจมันดีไปไหนมันก็อยู่ที่นี่นั่นดีใจไม่รู้จะได้ใจดวงดวงไหนมาจึงว่าดีใจไม่รู้ว่าใจมันเสียไปไหนจึงว่าเสียใจนะแต่ก็พูดกันตามสมมุติก็ต้องหมดปัญหาของใจใจทำไมเมย์มากาปัญหามาัน ม, ม, มากก็เมยมากทิ่ถ้าปัญหาใจไม่เมยมาก ถ้าปัญหาไม่มากใจก็ไม่มากใจจะมีกี่รวงก็ตามก็มีรวงเดียวเท่านั้นขณะของปัจจัยไปด่ า, าที่บรรดาแปดสิบเก้ารวงก็ดี120ร2อยี่สิบวงก็ดีก็พระมันไปสะสมกับความหลงของตนถ้าไปหลงก็มีใจรวงเดียวเท่านั้น นอกจากใจก็ไม่มีอันไดจะหลงใจนอกจากใจก็ไม่มีอันไดจะรู้เท่าใจนอกจากใจก็ไม่มีอันไดจะสร้างเหตุขึ้นนอกจากใจก็ไม่มีอันไดจะรู้เท่าเหตุนั่นตนเป็นที่พึ่งของตนตนเป็นที่ทําลายของตนก็คือใจ ตนเป็นที่พึ่งของตนก็คือใจเท่านั้นไม่มีอันอื่นมาแย่งทำมาแย่งรับเหตุรับผลเลยใ้สร้างขึ้นแล้วจะรู้ตัวว่ารับเหตุหรือรับผลในส่วนดีส่วนชั่วหรือไม่ก็ไม่เป็นปัญหาผลมันก็ไหลทับเหตุอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนนั่นเองเหตุพูดผลก็พูด เหตุฟังผลก็ฟั ง, ฟงเหตุเบื่อหูผลก็เบื่อหูของอันเดียวไม่ได้เกี่ยวกับการสงสยัยสงสัยไปหาผู้อื่นใครเป็นผู้สงสยัยใครเป็นผู้สงสยัยกว้วยใจนั่นเองผู้สงสยัยใครเป็นผู้แย้งแย้งสงสยัยมามามามามาเถอมาเถอได้ฆ่าสงสัยด้วยตา ให้ข้อสงสักให้ข่าขอสงสัยกับใจด้วยหูให้ค่าขอสงสัยด้วยให้ข่าขอโรคขอโกรธขอหลงด้วยเขาเขาไมไม่มาแย่งตาไ ม, ไม่ไม่ไม่ไม่มาแย่งใจใจเป็นผู้บัญญัติขึ้นตาหูจมูกกลิ่นกายตาเป็น ผ, ผู้ใจเป็นผู้บัญญัติขึ้นครับครับครับตาเข้ามาหนี่ยครับ งูก็ไม่ไดครับจะบวกก็ไม่ได้ครับเลี้ยงก็ไม่ได้ครับปฏิเสธก็ไม่ปฏิเสธโอเบกขาก็ไม่โอเบกขารับก็ไม่รับปัดก็ไม่ปัดนักดอกเราก็คายใจอันเดียวหนักหนักหนักหนักหนักนั่นอยู่ที่ไหนใครเป็นผู้ว่านั่นก็นั่นกับใจนั่นเองใจเป็นผู้ว่านั่นนี่ก็ใจเป็นผู้ว่านี่ ได้ก่อใจเป็นผู้สมมติว่าได้เสียก่อใจเป็นผู้สมมุติว่าเสียยิใจเข้าใจเป็นผู้สมมุติขึ้นเสียใจก่อใจเป็นผู้สมมุติขึ้นวางเฉยก่อกใจเป็นผู้สมมุติขึ้นนั่นก็เป็นบ้าไปทั้งวันทั้งคืนแล้วจะไปทิ้งบ้าให้ใครทีถ้าไม่รู้เท่าตัวทีนี่นักก็หยอกเอาของตัวอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนนั่นะนนั่น เหมือนปลามาดิ้นในบกยิ่งดิ้นก็ยิ่งเกือกดินก็ยิ่งตายปลาดิ้นในบกตกเขตตายหอกเงาตนเองคือใจหนักหนักหนักใจไม่มีอยู่ที่นั้นไม่เห็นมีโทษอะไรตายแล้วน้อนชัยอยู่ที่นี่ตายอยู่ตามที่นี่เขามาขี้ใส่ก็ไม่เห็นว่าอะไรร มึงไม่รู้จะ ก, กูหรือใจมึงไม่รู้จะ ก, กูหรือะกูนี่เองนะใจตายแล้วเขาไปขี้เส่ยบาก็ไม่เป็นไรเขาข้ามหัวก็ไม่เป็นไรนะเหตุจากนั้นท่านผู้พ้นไปแล้วท่านจะว่าเมื่อนัดสีิงปีนี้เป็นนติกก เบื่อนายใจเคยถือว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเบื่อนายความหลงจะขุดสมิงเป็นนิเวศนทตินายตาเคยยืนยันว่าตาเป็นตนตนเป็นตารูเบสุเป็นนิเวินิติเอ็นเป็นแต่สักว่ายใจแล้วไม่มีใครยึดถือใจแล้วใจจะไปรบปรลาค่าควันกันที่ไหนนั่นอาลกเอวังเมือเร็วๆนี้ คนนึเขียนแถวนั่นก็ต้องพูดเท่านั่นไม่นด้เขียนอะไรอีกจะไปเรียนพระตไตรปิฎกต่างกขึ้นใครนเขียนอะไรเขียนขึ้นก็เขียนออกมาจากใจคนตายเขียนเปลี่ยนไหมนั่น จิตจะมีทีดวงก็ตามาาเราบรกวา่าแจกกระดาษมาให้ยึดวั่นถือวัน่นถะูกไหมนักผู้รู้ 我听见了，你不看些了，讲话。 อาจจะเห็นคนรูห <laughs> <in> um ัวอาจดะยินเพราะคนตาบอดมัน <spe> ก <as used them> <ismo> like, like ็มีชาติใช่ไหมมัธยมัดแล้วพาชินทันเดียวคบกับตรากัตใหชาตินี้เุ็นลูกขาจะน่แน่ชาติเป็นทุกชาพยาธิวันนั้นพระเจ้ากับไปเลยนั่นโลกว่าชาติเป็นทุกชาติมันมาจากไหนมันก็มาจากธรรมชาติทหารอุปการถูกไหม เบื่อะไนถ้าให้เขาเปตัวศีนสมาธิปัญญาไม่ตรสายโซ่ที่ข้องคออยู่นี่ตัดที่ไหนขาดมันก็หลุดบไปได้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าจะเรียมแบบว่าตัดอวิชชาแล้วตั้ัญหาอุปทานอืมเมธอวิชชาจะเห็นให้เกิดสักฐานจเห็นให้เกิดสัญญาในรูกภายตอนนั้นภาษาเวทนาตันหาอุปทานพบว่าชรามนั้นทุก็ไม่ได้เรียวทุงขโงมนัสเป่าย์เพื่อกาว่าคอามทกขทั้งมวล ตัดรัฐประการอย่างนี้อันนั้นท่านเรียงแบบใค่สงขานะนักมวยเฉยๆหรือเถูกไหมนั่นแค่สงขาละเรว่าชานาเต้เาถูกไหมไม่ใช่อจะตัดไปกล้องทุกล้องไปจนหทุกกล้องไม่ได้ถูกตัดไปในต้นเมื่อนายชาติแล้วกนายพลในตัวใช่ไหมเมื่อคนแก่ชาติเมื่อพ้นแก่ภาษาเมืองตราตางอาายประพจนเป็ก็นายไปในตัวก็ตัดไปในตัวใช่ไหม น่นน่ที่นี่พระพายาเป็นอจะจับระรู้เป็นจะจักพระเห็นพอแล้วสนับที่นี้ท่าปนปรียากับเวชาตานาอุปทานที่ไหนนั่ น, น, น, นก็ให้แก่รัตตาใช่ไหมน่นน่เนเบื่อตายแล้วเพื่อจะจับพระรู้เพ่อจเห็นคือไม่ยึดถือผู้รู้ผู้เห็นหลัเป็นตปนตัว พูดง่ายพูดกับท่านพูด้ศึกษาในเรียนไม่มีข้อแย้งกันถูกไหมนัน่นนั่กพุทธโชธโมสังโฆไม่รับไว้เ น, อเนอ้อไโอนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นเนอไไม่รับไว้เ น, อเนอ้อนเดี๋ย ว, ยวนี้นี่นี่นี่ขึ้นมาแล้วเนี่ย เราพูดใจขึ้นมาแล้วเนะลยเราพูดใจขึ้นมาแล้วพูดง่ายพูดกับมหาพูดกับคนไม่รู้อิริเบพูดลำบาก บริษัททหารปัจจัยทีจีวานมินทบาทเซนาสนักและบริษั์ ใ, ให้มีไว้สำหรับปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ไม่ได้วังว่าให้เป็นเปรืกมาเฝ้าใช่ไหมในตัวกระถางจะมีรูหลาสักเพียงใดก็ตามเป็นเศษน้ำลายของพระอรหันต์ยังายใช่ไหมหนัก ทำพระสงหมดจระเทีบสะกุร่างกายวาจาใจใจบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์หมดเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธธรรมพระสงฆ์หมดในใสายดอก่าตุผู้เขาพิจารณาอย่างนี้เขาเป็นนิชาทิฏฐิหรือไม่ไม่ไ ม, ไม่เป็นนักเพราะเขาเห็นว่า ในในลกล้วนเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธธรรมประสงค์หมดใช่ไหมใช่ศาสนาอื่นๆต้องมาเริ่ยมสายพระพุทธศาสานาเสียก่อนจึงจะถึงพระโสดาบันใช่ไหมใช่นั่นลกูกพระทาฮอนเขากราสาดีบุตรนะอยู่สอนใั้นาตบุตรมาเริ่ยมสายพระอาตชกิเสียก่อนใช่ไหมใช่ถ้ามายังนั่นอย่าหาบเลยถูกไหมใชนน่นั่นทีนี้ศาสนาอื่นๆถ้าเขาไม่ประมาทในยันยักวิธีของเขา เขาจะถึงพระสสดาบาลสัคคทาคามีหรือไม่ไม่ถึงเลยถูกไหมนั่นมหาประเด็จะผ่านสูตรใช่ไหมนั่นทีนี่อ น, นั้นกติกกรรมหกไม่สามารถถึงพระสวสดาบาลใช่ไหมทีนี่อบายามุกไม่ใช่ภูมิของพระสสดาบาลใช่ไหมนั่น ลงเวกันนาวันนี้นะผู้เสียราอย่างนี้นบายมุกอยู่เยอะเนาผู้เสี้ยดาอย่างนี้น้ำบายมุกอูไม่ใช่พระโสดาบันใช่ไหมนั่นผู้เสียดกาอยางพวกเราละเมิดทิ้งห้าก็ไม่ใช่พระโสดาบันใช่ไหมนั่นทำไมมันจริงไม่อยาก เพราะมันเห็นดิ่งลงไปทางถูกแล้วมันถอนไม่ออกใช่ไหมสิ่งที่ดิ่งไปในทางผิดก็ถอนไม่ออกใช่ไหมผู้ที่ดิ่งไปในทางผิดพระบรมศาสดาไม่สอนเอาใช่ไหมต้ยงมาตายแล้วเกิดหรือไม่พระบรมศาสดาไม่สอนเลยใช่ไหมนั่นถ้าใครกล่าวว่าผมเป็นคนตาบอดแล้วมาเรียนบอกรู้ใช่ท่าเขียนให้กับผมว่า เขาบอกมาศาลธนาเขาไม่บอกถูกไหมนะปฏิบัติเพื่อคนทุกนวัตตาสงสารปัญหาไม่มากใช่ไหมทําไมยึงปฏิบัติเพื่อคนทุกนวตาสงสารเพราะเห็นสิ่งใดในใต่โลกธาตุไม่มีเกณฑ์สารเป็นหลักหัวใจแล้วใช่ไหมไม่เห็นตามสัญญาเห็นตามปัจจคสิทธิด้วย ถูกไหมนั่นถึงอนิจจังอันเดียวชัดก็ทำลายอวิชชาสันหาอุปทานได้เหมือนกันใช่ไหมนั่นอ น, นี้จังทุกครั้งอนัตตาไม่ใช่อยู่คนละเป้าอยู่เป้าเดียวกันใช่ไหมนั่นด้วยขันไดเขียนสขียสารใช่ไหมนั่นโอเคอ่าน คำสอนใดๆในไตรโลกธาตเปลี่ยนเมืองขึ้นคำสอนพุทธศาสนาใช่ไหมเอ้าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนโลกเต็มภูมิแล้วมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติภูมิสมบัตเิเต็มภูมิแล้วจะไปหาวิธีใดมาปกครองพระพุทธศาสนามันไม่ต้องไปหาใช่ไหมเออความละอายต่าด ค, ความกว่าเท่านั้นจะปกครองโลกได้นี้โอตปะปะ นี่อดจำปั้กกมปัญนาทุกาธรรมะธรมะเตตาซ้นโตศักดิ์บริษาทโเอเคเลวธรรมาริวจเรนะถูกไหมนั่นถ้าไม่มีอันนี้เนี่ยตั้งกี่รันล้านแฉนแฉนสดปูดมันก็ไม่อยู่กฎหมายทช่ไหมนั่นนั่นนั่นการตั้งกฎหมายขึ้นมามองดูคําสอนของพุทธศาสานานั่ น, นมันก็เล้วไม่เป็นแค่ไหมปีไหนก็ตั้งกฎหมายปีไหนก็ตั้งกฎหมายเอาเงินชนะชนังมาจากที่ไหนนั่น ถูกไหมนั่นพูดเรื่องนี้ก็เกิดปีติชาคาตาธรรมามาแล้วเนี่ยมาแล้วถ้ากันมากนะทีเออมาแล้วต้องันมาทรงไลยแทะก่อนแห่พระเวชสันดหลนี่คือยี่สชโมงจะหอบพี่นี่ หาลายช่วโมามัเออไม่นอยู่มั น, นมันของไก่ปใดแล้วมันจะตัวเห็ดบุญโดยบุญกระทีนมาบุญกระทียนอ้บุญกระทนกระทีนใ้นนมาถอดหรกระทียนหี่จะของเองมาที่จของเองครับ อ, อ ทินะ้นกล่องนึกคนใช้คนใช้าเฮ็ดเฮ็ดาเนี่ยอะไรพาเฮ็ดพาอะไรเออเฮ็ดพาทำไมมาแล้ ว, ม, ลวม่อาหารก็อยู่หานั่นก็มเสียงจ้ะ ซือเหียญก็ไม่ใจนะซือเหียญนะเหนาว่าท่าไหร่เหนา พระสงฆ์อันทรงค่คุณค่าไม่มีประมาณจ้องให้จปนฉุอยู่ทุกการด้วยาจกงอกแจกง้อกไปเรนเลขกนะน่าอันนี้คือกันนี้คือกันวัดเ้าไปเรีนเลเลยคิดหายวัด หาแต่เมรัล้านกระบวยูเมรัฐพัดล้านกระบวยูผีมันไปวีผีตัวผีมันเขามาจับหัวใจเนี่ยสารพัดขอปพัดย่างกินย่างกินกระมวนเนี่ยของของพิบ่าอาถารแมนง่นบอกอาหารก์กับพนันสารพัดข้อมอเป็นหลายๆรณะกินเขาทัาท่าเพิ่งายองอาถ์ท่านสมัยสมนอบรเพ์น่ะมัดหางเงียมันเสียแล้วเป็นฟุราสมัยแั่นบอะ เวลามันเมาท่านสมัยวัดเนี่แม่นม้องคนพิบะคนพิาาน่าอาถานเี้จะไปเฮ็ดบัซซูร่ามันเป็นกรอบตัวแล้วไปเอามา ก, กินมันนักเลงหญิงนักเลงสูดานักเลงเล่นการพนันเขาคนทั่วเป็นเม็ดจังถ้าบอรมาศาตรารองข้าเพราะว่าบอรมาศาสะาเป็นศาสตราเอกในโลกผ่านมาแล้ว ผ่านอุปสรรคมาแล้วจึงได้มาสั่งสอนพวกเราไม่ใช่มาได้ผ่านผ่านมาแล้วประสบการมาแล้วใครจะผ่านเท่าเพราะเรามศาสนาไม่มีหรอกนะลกูกจึงได้มาสอนพวกเรายอดคําสอนก็คือคําสอนพระพุทธศาสนาเองธรรมดาสอนโลกก็คือคําสอนพระพุทธศาสนาเอง แต่เราพี่โอข้างกลายท่านไปซักไม่เอามาพิจนารณาแต่พอรู้ตัวมันก็ตั้งไม่ไหวผู้ที่เขาว่าไม่มีบุญไม่มีบาปนันพอเขารู้ตัวเขาก็ตั้งไม่ไหวไม่มีทุนจะ ต, ต่อสู้เห็นไหม แต่กระเจิงครับไปทั่วทุกคนทุกแห่งเพราะถือว่าไม่ไม่มีบาปไ ม, ม่บุญนั่นเองคุณพ่อคุณแม่มไม่มีนั่นเองบาปบุญคุณพ่อไม่มีนั่นเองคำสอนใดๆในใจลูกกะา a, มันจะเสมเหมือนคําสอนพระพุทธศาสนาไม่มีเลย คนไม้กนหู ก, กัดทักกัดทัวก็ตามเถิดถ้าตั้งขึ้นไม่มองดูพระพุทธศาสนานีมันก็ไปไม่รอดเหมือนกันนั่นนั่นนั่นนันติกีลาดมาตราก็ตามเถิดถ้าไม่มองดูพระพุทธศาสนาเน่ยมันก็ไปไม่รอดเหมือนกันพระพุทธศาสนากฎหมายใหญ่ๆโตๆก็มีอยู่ทําป็นโรกบาลคุ้มครองโรกสองอย่างความละอายต่อา ค, ควากลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโรกได้ถ้ากฎหมายใดๆ ที่ล่วงน้ำมือตรบตบตบุญไปต้นไมยอันนั้นไปไม่รอดไว้เต็มตัวก็เหยียบขี่หัวเต็มตีนถูกไหมครับผม <laughs> นั่น เอ้าโรคมีเพียงศีนห้าเท่านั้นตำรวจมีว้ายทำไหมทหารมีว้ทำไหมเพียงศีนห้าเท่านั้นอ่ะขายของเฝ้าทำไหมเวรยามมีว้ทำไหมเรือนจาไม่มีคุกตารางก็อนิียวกันไม่มีตำรวจทหาร ไ, ไ, มไม่ต้องมีเวรเวรยามเฝ้า รักไทยรักถอนไม่มีสารดีกาสารตัดสินสารไต่สวนไม่มีมองดูหน้ากันก็เป็นทำอันสังเวชไม่เหมือนยักษ์มันไม่ไห้เหมือนมานาตราอาวุธมีไห้ทำไมนาตราอาวุธก็เกิน เครื่องเครื่องจองเวีนจองใครใช่ไหมมึงโ้องกูกูก็ะเพื่อมมึงมึงโ้้งกูกูกระเพืองมึ ง, ม, ง, ง, ง, ม, งมึงตัดคอกูกูก็ตัดคอมึงลูกหลานกูก็มีกูทีมึงทีแม้แด้เอาไม่รอดจนเข้าสู่พระนิพพานน่็นไหมค้าบพระบรมมาศตรา จ, จังบอกว่าปานาติ ป, า, า, ปาตาเวนะมันในปานาติ ป, า, า, ปาตาเป็นข้อห้ามสิ่งที่มันเป็นปรานมันมีชีวิตมันมีค่า เวรมานีไฮเว้นซักเว็นอันนี้เว้นแล้วศิกขาไปทางสมาธิามิเป็นศิกขาวดหนึ่งนอินาการเมมุษาสุราก็เหมือนกันนั่งนั่งนั่งคำสอนไหนจะไม่ไปดีเท่าคำสอนพุทธศาสนาเป็นไม่มีเลยคราวใดโลกคนละมาก็เพราะโลกปีนเกลียวพระพุทธศาสนานักพูดน้าไม่พ้ออธิบาย ผู้ร้ายก็อพิษกับโรคหัวใจการลุกขึ้นฝักคำระหน้าฆ่ากิจกับขันการอธิบายคันขันคำว่าขันท่านแวงออกสีละขันหมดศีลสมาธิขันหมดสมาธิปัญญาขันหมดปัญญา วมุตติขันหมวดวิมุตติวิมุตติยานทัศนะขันหมวดวิมุตติยานทัศนะอันนั้นเป็นขันเฉพาะปฏิบัตินะทีนี่ท่านท่านแบ่งขันออกอีกรูปขันดินนาำไฟลมทรงกันเป็นกายเดียวว่ารูปขันเวทนาขันความสวยอารมณ์สัญญาขันความจําสังขารขันความคงแต่งแห่งจิต วิญญาณขันความรูทางตาทางหูทางสมุขทางลิ้นทางกายทางใจฉันอาขันความจํา <c oughs> ขันทัางหลายเหล่านี้ย่นลงมาเป็นเอกขันทีนี้ย่นขันห้าลงมาเป็นสองลูปขันนำขันเอกขันขันทางหลายก็ดีลูกขันก็ดีนามขันก็ดีเกิดนนก็ในขบแฝงในแฝงสายไม่ใช่แต่ไม่ใช่บคคลโตจนเราเขาเลย เยจนะจังวะรูปังอアิจังเวชนะアニจ่าสัญญาアニจ่าสังขาระアニจ่าวิญญาณังอนิจังรูปังอนาตาเวชนาอนาตาสัญญาอะนาตาสังขาราอนาตาวิญญาณังอนาตาสัพเพสังขาราอアิจ่าสัพเพธัมมาอนาตาตินะท่านให้รู้ตามจริงด้วยแล้วมาให้ยึดถือว่าเป็นเราเป็นทอเป็นสัตว์เป็นบุคคลเพราะนั้นให้รู้ตามจริงนะสงคือ สมมติความรู้ทำจริงสมมติไม่มีควารู้ทำเป็นจริงของวมมีแล้วไม่สาคัญตัวอยู่ในไม่มุดดูในสมมติเมื่อไม่สาคัญตัวอยู่ในมมุด้สมมติแล้ววิญญาณปฏิสัณก็จบกันนที่ น, นั่นเองนะธรรมันสูทีนีเอาถามถามอีกตอบถูกตรงคำถามไหมหรอถูกไหมถูกตรงคำถามไหมถ้าไม่ถูกก็ถามอีกเป็นว่าลกูกพันอสุภะเป็นไ เรียกว่พิจารณอจุพะวละเอียดแล้วสงสัยเวทนากับยีดมันไปพิจานณามันพอไปมันไม่ไปแล้วเพราะห้าวเหตุทำไม่ถึเนี่ยรูปมันก็มันดินน้ำไฟลมมันขนขนไม่ไดฟั่นหนื่งเน้อเอนกระดูกเดืยน้นกระดูกม้ามหัวใจรับฟังเปลือยไตปลอดใส่ใหญ่ใส่น่อยอาหารไม่อาหารเก่านี่เป็นกองดินดีเสดน้องเลือดเงือมันเงือมันขนน้าตาเปลี่ยวมันน้ำลายน้ํามูกของไข้คอ้ํามูกอันนี้เป็นทากหน้า ไฟที่อากาศให้อบอุ่นไฟที่อากาศให้ชด่มชื้นไฟที่อากาศให้กระวนกระวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยอันนี้ปพนธาไฟร่มพัดขึ้นขึ้นเบื้องบนร่มหาล่มเลอะร่มอวกร่มพัดร่มเองตำร่มไผ่ร่มหรือร่มชาอุจจาระชายปัสสาวะร่มในท้องนอกใส่ร่มในไส่ร่มพัดไปตับตัวเซนเอ็นร่มหายใจเข่าร่มหายใจออกนี่มันถาดิ้นเมตนาคั่วสวยอารมณ์ ทุกๆทุกข้าวเวสนาทุกข้าเวสนาทุกข้าวเเวสนาประเดีนี้ก็เป็นเกิดเตุแล้วแล้วแต่คนจะแจกสายอันเดียวกันให้ออสติว่ไปหยุดยังกันให้ให้ให้สติเป็นผู้รู้เป็นปฏิสติผู้รู้ให้รู้ตามมันจริงดินใครูตามมันจริงของดินน้าใครรู้ตามมันจริงของน้าตามสมมติจะไปฝืนสมมติวิมุติกิจะไปฝืนวิมุติย่าเอาสมมติกับวิมุตไปเป็นสข้ามกัน แค่เอาเขียนกับลบไปเป็นสงข้ามกันเขียนกันยังว่าเขียนลบก็ยังว่าลบจะไปสงข้ามกันนันอะไรแค่สเอาสมมติเขาไม่ดไปเป็นสงข้ามกันรองกันสมมติว่าดินก็เป็นดินสักถ้าว่าดินอ้วยในมันมันดินผู้ใดหมันว่ามันเป็นดินผู่ะอันนี้มันแยกอีกนั่นสมมุติว่าน้ำกับน้ำสักมันว่าน้ำน่ะน้ำมันว่าข้าพเจ้าเป็นน้าผู้นั้นข้าพเจ้าเป็นน้าผู้นี้มันก็บอะไรวะใครไฟก็ขื้นกันลบก็ขื้นกันสมมุติว่าให้จักความหมายกันเี่ สมุดินดินจึงจะมีมันโมเมนมันมียุคนอ่ะจำสมุดขนสมุตหนาหนึงจะมีมาสัตวบสมุิก็มีก็สมุดเคื่อนตามที suspense, porn, ่ขอมีอยู่อันสมุิอันนั้นยุไนยอบแขนลงพูดไดบ่มยุในยุบแขนงพูดได้วิมุตต์ก็ขึ้นกันมืดอ๋อสมุติมืดยุไนยุบแขนลงพูดไดสว่างยุไนวุแขนงพูดดบอมือวันเดือนปียุไนยุแขนลงพูดดบอวันเวลาย่ในวงแขนลงูดดบอ เดี่ยวนี่อยู่ในวงแข้องผู้บหมว่านอยู่ในวงแข้องผูบมืออื่นน่อยู่ในวงแข้หองู้บลอไปลวอไปลอไปลอไปลไปอันนี้กาอันละเอียดให้รู้ทุกกระเบียดอย่าไปหลงเลยนพระพุทธเจ้าสอนเห็นอันนี้กาขณะิดหนึ่งเห็นหลอกหลอบนึ่งแล้วเห็นทุกขณะคิดหนึ่งก็เห็นหลอกหลอกหนึ่งทั้งลกเป็นตระกูลของทุกได้เท่าพม่าทีเอาทุกมาเป็นเทาเท่าเป็นทุกเมื่อเท่าทีเอาอันนี้ตามาเป็นเทาเทาเป็นอนตามม่เท่าเอาอนัตามาเป็นเทาเทาเป็นอันน ถ้าจีพีกู้ตามเป็นจริงไม่ใชู่้รู้เขาก็ย่างสีพ่กเอาสั่มผมเป็นตัารู้มเป็นตั้าก็เห็นผน่าสีบวเอาจากแนว่างแน่นอนสมมติเอาจนเท่น้จนบ่สมมติว่าเอาจนบ่สมมติว่าถิมคนละสมมติว่าเอาเกิดเข้ามาได้สมมติว่าเอาข้าสีิมยังสั่เข้ามาได้สมมติว่าิม้าจะเอายังสังอันเดียวกเาสมมติว่าเขามาเียมข้าจีรบพยังสั่ันเดียวกันล้วผน้าได้สามารถที่ล้วนหร่ได้ลงเีิดตาย อาปัญญาช่างรรลุดน้ำผู้บางคนคือกันแหลอามาถามหลวงปู่หลวงปู่หลวงพ่อหลวงพ่อได้ฉันภาวนาข้ามเวทนาไม่ได้ข้ามทุกไม่ได้เออถ้าสาคัญว่าทุกเป็นตนตนเป็นทุกมันก็ข้ามทุกมาได้สิได้ฉันทําจิตแม่ว่าไม่ได้สําคัญจิต ว, ว่าเป็นตนตนเป็นจิตมันก็จิตก็ไม่ว่างํางคาัญเอาผู้รู้เป็นตนตนเป็นผู้รู้ผู้รู้มันก็ไม่ว่า ถ้าไม่สองคนคันตนเป็นอะไรอะไรทั้งสิ้นแล้วมันก็วางอยู่ณที่นั้นเองนักนักนักนัคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณอันประเสริฐใครเป็นเจ้าของคุณไม่มีใครเป็นเจ้าของคุณเป็นทํามันเป็นของกลางเป็นเป็นคุณอันเป็นของกลางอย่างนั้นเองเหตุนนคือว่าทําเป็นของกลางไม่เป็นของผใครอ๋อสมมุติเราเท่าพนจากกิเลสเท่าจะไปขอเอาน้าผาอะไรไปบ้านมอสผู้ขากขอเอาผาเนี่ยผ้เนี่ยใช่ไหมสมองบ่ ผู้ขาอนี่โรกกดลงเห้องตะเอาน้ำพรเทพราธาบอก่แล้วเระเทพราาเด้อให้ผู้ขาจังง่ยเนี่โลกกดลงมาสั่งว่แล้วสารู้จัตามตามเป็นจริงตอนไหนมันก็หายไปตอนนั้นว่านะคือเขารักตานี่กูชิวมือตาเนี่ ย, ม, ย ม, มื ด, ม, รรราาดมันหนีซะแล้วสั่นเข้ากับวาดรวาเนี่ยมันหนีเองวันมันเที่ยงถึกเหรเนี่ยก็ใจร้อนสวันเนี่ยนี่ห น, น, น้าตามเป็นจริง่ะ ลูกเวทนาสัญญาสังขารมีนะแจออกตามอาการนี mm ่ส mm ิแจออกหาห้องเห็น hmm. ค yeah. mm ี่สนั่งกางเห็นี่สิฝักมุนผนเอกสร์กัฝักแห้งเห็นนี่สิทีนี้ออกมุนผนเอกสรงแั่นี่ออกแห้งเห็นว่ามันมัมันมมันชัด่ามันบุกคนเนี่ยไม่ได้เห็นนะไฟร่มเี่ยไม่ไดเวทนาสัญญาสังขารมีนีเกิดกันเนี่กับแปลพลไดรับไปแังวที่แล้วมันย็นเ่แล้วมันไปลงไปังนี่มันกดกลวยยุคขึ้นหาละวามอไามเกิดขึ้นพาหาละวางนี่ความแปผลพราะหาละวางนี่แหละความดับไปก็าหาละางนี่ะ ทำฝ่ายไม่เนักก็จริงอยู่ไม่มีตอนมันหาวาไม่ได้นะฮอข้าวปลาดูาจริงเ้าก็สิ่งคนสงสัยของข้าวทำมาจริงคนตั่วโลกนี่ยข้าวเห็นว่าในโลกเต็มไปด้วยอันนี้ังทุกครั้งอาราธนาทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันคนใ้อะไร้ยานในโลกเข้าสีม้จากประตูได้เรอะถ้งความ้ยอานใช้ย่านใช้ยานในโลกของข้าวตมี้ฮะเนี่ยคนดีใจใช้ใจของข้าวจะลดต้องไต้ฮะอยู่ว่าไรย่านั ข้อมมีน่วางแน่แน่โลกกันน่มีตัวมกลนตรป่นแต่สายเนี่ยยู่ไปช้าๆตายยู่ยไปช้าๆนน่ส่มันยู่เพื่อสิกินได้เดี๋ยวนี่จินเพ่อดยู่เพื่อได้ปฏิบัติเพื่อคนควลงซื้อได้นี่ต่อสูก็ควบหลงยบวชมากต่อสูงก็ควบลงเยดี๋นี่่มันบวชมากเพื่อจะเพิ่มควบหงควกดควบหลงทเกิดมาสามบารมีในพระพุทธศาสนาเนี่ยสามบารมีเพื่อที่ทำทมาลบกันกับกิเลสเนั่ยคติสดงเี่านี้ศาสนาไอ้เนี่ยกรื่องส เข้ามาจากเกิดเข้ามาจากแก่เข้ามาจากเก็บเข้ามาจากต า, า, ายเขามาจากมาเกิดมาหาจินหาขีจิ้มหลักขีพพี่อยากเคียรม่กั น, นิมอ น, นี้มืออึ้เย ม, มา้าป่านคนสุญญาก็บอยู่เนี่ปากเกิดเคยมาเี่ยนั้นตังตื่นตี้วมีแต่ไรลองเหลวลองหอมมันตายนะตาบอกเ <c oughs> ้าใจว่าคะเนี่ นี่เนี่ยัองไปนานอาไว้ังใจนานบอกเขาอนี่นี่คนคนคนภาคหลงโอ้สิ่งนั้นเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นก็แปลปวนะแตกสลายจะอยู่ยังยังยืนเป็นไม่มีเลยพระมรรมกายหลุงปู่นะอันนี้ก็ถือคลิปด้วยนะอยากอะากาศหลงปู่สาธิคลิดนะเขาถือคลิปครับผมเดคลิปครับผมบรยากาศหลวงปู่ก็จะมาต้องมาวานแล้วแล้ววันนี้ คริสก็ดีอยู่คริสแท้ๆแกเดิมถ้มาไม่ได้สอนให้ฆ่าสัตว์นะอืมต่อมาอีกต่อมาอีกเมื่อท่านรองรับไปก็มีผู้มาแปลคําสอนของท่านทว่าขาดฆ่าสัตว์ไปสวรรค์ก็เลยเปลี่ยนไปเป็นนิกายหนึ่งอีกไปอีกอจิแท้คริสเบื้องต้นพระเยซูนะพระพระเยซูท่านมีกรรมบุตริบเหมือนกัน กากรรมสามวิจิกรรมสีมโนโกรรมสามเหมือนกันท่านมีมีก็มบทัดชเหมือนกันอยู่มาอยู่มานี่เมื่อท่านลงรับไปแล้วเรามีคนมาแปลงคําสอนของท่านว่าฆ่าสัตว์ไปสวรรค์มันผิดกันข้อเดียวเท่านี้นอกนั้นไม่ผิดพระบรมศาสด า, า, าเขาบอกให้ฆ่าให้ฆ่าความหลงของตนวอย่างไรฆ่ากิเลสฆ่านาคโทสะโมหะของตน่อยไร ข้าความโลภความโกรธของตนจ้ะพระพุทธศาสนากสอนให้ข้าเหมือนกันพระพุทธศาสน า, าสอนบอกว่าพระพูเ้เนเจ้าเป็นผู้สร้างขึ้นพระพูเ้เนเจ้าใจของใครของมันนั่นเองท่านผูดให่หลังนั้นพระพุทธศาสนาไม่ลงถูกไมใช่ครับที่ลวงตัวพกเพูป็นเจ้าพระผู้เนเจ้าเป็นผู้สร้างทุกสิงที่างถพระพู้ <c oughs> เ, <c oughs> เนเจ้าใจของเราสร้างขึ้นอืม อันดีใจใครมาสร้างให้เราก็พระพู้เเจ้าใจสร้างขึ้นเสียใจใครมาสร้างให้เราก็พระพู้เเจ้าใจสร้างขึ้นใช่ไหมอะโกรธให้เขาจองเวรเขาใครเป็นผู้มาสร้างก็พระพู้เป็นเจ้าใจสร้างให้ค่าสัตว์รักษาประพฤตในการใครมาสร้างให้ก็พระผู้เเจ้าใจของเราเองเป็นคนหน้าเขาสร้างนี่พระพุทธศาสนาเขาอกว่าพระพู้เเจ้าสร้างขึ้นนั่นเอบารบุญคุณโทษก็พระผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้นนั่นกันสร้างในใจนี่สร้างให้โกรดสร้างให้หลงสร้างให้เนน้ำปูน พุ่นกระจายขรากระจายไหมกจเราทั้งนุนวายอยู่ที่ใจทั้งเร่องผเป็นเจ้าทริ พ, พเป็นอะไรก็ปกเป็นตูงเป็นเจ้าอะไรก็เป็นตููเเจ้าภาเนอะพเป็นเจ้าพาให้คองขาของมันนี่สร้างขึ้นสูงไหมนั่งถ้าอะไรไปตูพระพผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้น พ, พ้าผู้เป็นเจ้าเป็นผีบาอะไรไปสร้างเสือมาให้กัดคน ทำไมมันจึงเป็นเสือเพราะมันเคยเป็นเสือมากรรมของสัตว์ทั้งหลายสร้างตนเองขึ้นคนชั้นต่ำทำไมจึงเกิดในชั้นต่ำเพราะแต่ชาติก่อนไม่เคยคารบยำเกรงท่านผู้ใหญ่วิญญาณปี่สันที่อันนั้นจึงมาเกิดเป็นคนเกิดชั้นต่ำพระพุทธศาสนาเนี่ยผู้ที่อายุยืนทำไมจึงยืนนะักก็เพราะ ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำลายชีวิตของผู้อื่นจึงมีอายุยืนผู้มีอายุยืนแต่ถ้าว่ามีโรคเบียดเบียนไม่ค่อยได้ฆ่าสัตว์แต่ว่าชอบเคียวชอบตีสัตว์ทั้งหลายจอเบียดเบียนก็เกิดเป็นคนมีโรคมากเหมือนลุงปูเนี่ยเกิดเป็นคนมีโรคมากอายุยืนแปดสิบเป็นคนมีโรคมากเคย